จเจริญพันธ์เสมอสมัยนิราชทุกข์นิราชโศกนิราชโรค น, รรคนิราชภัยประสงสับกุศลใดก็จงสมประสงค์เทิญ